แบ่งพักแบ่งสู้ถึงตอนนี้เมื่อท่านอาจารย์มั่นใส่ปัญหาให้ท่านได้คบคิดท่านจึงใคร่ครวนดูใหม่พบว่าจึงได้มายับยั้งช่างตัวเวลามันไปเต็มเหนียวของมันแล้ว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 เห็นว่าสมาธินี้เหมือนเรานอนตายว่างั้นเถอะติดสมาธินี้ทีน่นี้มันก็หมุนสติปัญญาทีน่นี้มันจะเลยเถิดอีกรังเข้ามาทีน่นี้เวลาจิตมันเข้าสู่ความสงบนะแน่วโอโหเหมือนถอดเสีย้ยนถอดหนามสงบเย็น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 นี่มันถึงได้รู้เวลาออกทางด้านปัญญานี่โถไม่มีในตำราว่างั้นเถอะเราก็เรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ตามต้อนกิเลสกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงสติปัญญานี้เหนือกว่าเหนือกว่าตามต้อนกันทันเผากันไปเรื่อยเรื่อมันเป็นเองนั่นแหละที่มันเพลิน